ธรรมชาดกแผ่นที่11ดลำดับที่7โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่5สิงหาคม2557มีชื่อเรื่องว่าขี้เหลือสามกรรมวันนี้เป็นวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2005 157วันนี้เข้าพรรษามาเป็นอาทิตย์ที่สามผมเองก็ได้บอกกับหมู่พวกเพื่อนว่าจะประชุมในระหว่างวันพระในระหว่าง8ค่ำในระหว่าง15คหาค่ำถ้าหากว่าเป็นไปได้จะพยายาม แต่มาก็ผ่านมาสอ ง, สองวันพระอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นมันภาระทุระของผมก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่ละวันแต่ห่วงถ้าการเป็นห่วงห่วงหมู่พวกเพื่อนก็เป็นห่วงแต่ก็เป็นห่วงในจุดหนึ่งก็คือธรรมเทศนาขององค์หลวงตา ที่พวกเราได้ฟังทุกวันทุกคืนช่วงนี้เขาก็งดไปจุดนี้คื อ, คอจุดงที่ผมไม่สบายใจแต่ก่อนหน้านี้เราก็ได้ฟังธรรมเทศนาขององค์หลวงตาถ้าใครต้องการายธรรมะต้องฟังทุกวันว่างอย่างน้อยวันละกันวันละกันเทศอันนี้ก็เกิดประโยชน์ แต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผันเปลี่ยนแต่พวกเราก็ต้องรอแต่คิดว่าคงไม่นานก็คงจะได้กลับคืนมาได้ฟังธรรมเทศนาขององค์หลวงตาอีกแล้วก็ผมก็เป็นห่วงตรงที่ว่าเนี่ยที่ว่าไม่ได้ฟังและก็ผมเองก็ไม่ได้อบรมทั้งฝ่ายหมู่พกเพื่อน เป็นจิตจรัษณะแต่ถึงยังไงขอขอให้พวกเราทุกๆอง์นอะปวดเข้ามาในคราวนี้ครั้งนี้อย่าได้ทะเลถลายให้ตังอกตั้งใจเลือกสถานที่ที่ภาวนาหาสถานที่ที่ภาวนาหาสถานที่ที่วิเวกอย่าไปหาสถานที่คุยกัน กุติหลังไหนของใช้อะไรพวกท่านทั้งหลายได้รับการศึกษามาดีผมพูดอย่างนั้นได้อยู่ในเมืองได้รับการศึกษาแต่ผมเห็นแล้วบางสิ่งบางอย่างผมก็ไม่สบายใจเพราะเหตุไรเพราะพวกท่านทั้งหลายใช้ของแบบโง่โงเซ่อเซ ทำไมจึงพูดอย่างนั้นบางสิ่งบางอย่างของที่มีราคาแล้วเอาไปใช้ที่กุฏิแล้วก็ท้ายแบบทิ้งๆคว่างๆแบบเหมือนกับไม่ใช่ของตัวเองแล้วก็ใช้ไปอย่างนั้น่ะแต่ทั้งที่รู้ว่านี้ราคาของมีราคาถ้าเราไปซื้อในตลาดสมัยเราเป็นโยมเราก็คงจะไม่กล้าบางครั้งแต่มาถึงของวัดเนี่ยมันเห็น ของมันเกลื่อนของมันมากก็เลยเอาไปใช้แบบทิ้งทิคว่างควา ง, วางผมเห็นแล้วผมไม่สบายใจนะหมู่พวกเพื่อนนะพูดตรงๆเพราะผมเลยเป็นคนยากคนจนฝึกมาแบบประหยัดฝึกมาแบบใช้แบบของที่มีคุณค่ารู้คุณค่าของของที่ใช้แต่บางทีไปเห็นแก้วที่เขาทำมา อะไรมาจุดเอาเทียนเอาจุดใจเกินทิ้งแบบทิ้งทิ้งคว่างๆว่างแบบกระมังอะไรก็ตามที่ของมีคุณค่าเอามาก็ามาใช้อีกทิ้งอีกถ้าเราไปซื้อในตลาดราคาเท่าไหร่สมัยเป็นคราวาสอาจจะไม่กล้าซื้อชุไดไอซ้ําไปแต่พอมาเป็นพระเราทำไมพวกท่านทาั้งหลายจึงลืมตัวถึงขนาดนั้น ผมก็มองไม่เห็นอีกเหมือนกันหรือเขามาส่งเสริมหรือเข้ามาเหยียบย่ำหรือเขามาอะไรเสียงเรานี่ให้พวกเราท่านทั้งหลายถามหัวใจพวกท่านนะที่ผมพูดให้ฟังนี่นะอันนี้คือในฐานะที่อาจารย์สอนให้พวกท่านทั้งหลายอย่าลืมตัวถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายจะเป็นครูบาอาจารย์ต่อไปภายภาคหน้าและกระทาตัวอย่างนี้นะ และจะเป็นยังไงต่อไปภายภาคหน้าลูกศิษย์ลูกหาของพวกท่านถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายมาบวชชั่วคราวแล้วก็มาทําตัวอย่างนี้อันไหนคือกดกดเกณฑ์อันไหนที่จะเป็นศักดิ์ศรีอันไหนจะเป็นต่อไปภายภาคหน้าความเจริญรุ่งเรืองหรือความร่ํารวยจะเกิดกับพวกท่านไหมที่เป็นลักษณะอย่างนี้ผมก็มองไม่เห็นอีกเหมือนกันถ้าว่าพวกท่านทําตัวอย่าง อย่างที่ผมเห็นบางบางกุฏิแล้วก็ผมไปเห็นมูพวกเพื่อนที่ไปอยู่วัดใหม่อีกเหมือนกันผมก็ไปสั n ง g คอดูที่พักของพระมองดูแล้วเหมือนกับของทิ้งเกลื่อนไปหมดเหมือนกับอะไรผมเห็นผมโอ้ตายพระรุ่นใหม่ไม่มีกฎไม่มีระเบียบเลยไม่รักษาความสะอาด แก้วน้ำขวดน้าเผอเผล อ, อขวดโคกขวดเค็กก ว, ว, วางทิ้งเกลือนดูในบริเวณที่กุฏิแคบๆวางเพียงวาเดียวเท่านนกุฏิไปเห็นแล้วดูไม่ไม่ได้ดูดูดจะไม่ปัดกวาดต่างหากอยู่ในความเศร้าหมองอยู่ในความไม่โปร่งใสอยู่ในความไม่สะอาดผมพูดแล้วพูดอีก การอยู่ต้องสะอาดดูที่พักพาอาศัยถึงจะมีของมากก็ให้มีกฎให้เก็บเป็นระเบียบเก็บยังไงดูให้เป็นชั้นเป็นเชิงเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้มันทิ้งเกินนะดูแล้วผมว่าเนี่ยดูดูแล้วพวกเราท่านทั้งหลายนะอีกสักวันหนึ่งผมคงจะไปหาดูตามกุติของพวกท่านนะ อย่าว่าผมไม่บอกอผมจะบอกเองเอาเปิดกุฏิให้หลวงพ่อดูสิเป็นยังไงที่พักของพวกท่านผมจะต้องไปดูเพราะว่าหลวงตามหาบัวนสมัยก่อนเมื่อพระอย่างน้อยในวัดของท่านหลวงปู่ล่าเคยพูดสมัยอยู่แถวห้วยทรายท่านไปอยู่ท่านคือไปดูกุฏิท่านพาจัดกุฏินะ พับอย่างนี้นะบาดเอาไว้อย่างนี้นะบาดเอาไว้ทางบนทางศีรษะทางขวาแล้วก็พอมาถึงตอนเช้าให้เปิดบาดเปิดฝาไว้ก่อนเอาสายมันเข้าข้างในแล้วก็ฝาคาอบไว้อย่างนี้พอตกตอนเย็นเอาฝามันปิดแล้วก็เอาสายมันพับไปข้างบนทางบนนะ อย่าให้มันขวางที่นอนครับแล้วมันไปตามแนวแถวที่เรานอนเอะผ้าคล้องอยู่ตรงนี้เอะผ้าที่ใช้ผ้าในลาวตรงนั้นเอะผ้าให้เรียบร้อยผ้าที่ตรงลาวถ้าเอาไว้ตรงพื้นมันอาจจะเชิญก็ได้ผ้าที่ตรงนั้นผ้าพับครื่งแล้วก็ค่อยผาดอันไหนผ้าอังสะอันไหนผ้าจีวอ อันไหน้านุ่งท่านจะจัดให้เรียบร้อย้าจัดพอครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเท่านั้นพอครั้งที่สามเลยยังไม่เรียบร้อยอะ่ะเท่านี้ท่านจะอยู่หรือท่านจะไปเราสอนให้ท่านแล้ววิชาความเรียบร้อยมีแต่วิชาแบบเร็วๆยังไม่ได้สอนไปหนี โดยมากครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆท่านเอาอย่างนั้นนะหลวงปู่ล่าก็ใช่ย้อยเมื่อไหรสมัยผมเป็นพระท่านก็มาดูกนะุฏิของพระดูถ้าเห็นโรคหลง ล, งลังอนะไรท่านก็บอกจัดดีๆพาทรรมอีกต่างหากแต่ว่าครั้งที่สองครั้งที่สามให้ระวังก็แล้วกันนี่แหละ ให้หมู่พวกพื่อนทั้งหลายที่ผมพูดให้ฟังนี่นะอันนี้แหลคือศีลศีลและวินยัยถ้าว่าใครศรัทธ า, ายาโจมเขามาเห็นมาเห็นห้องนอนของพระเขาก็จะเกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสว่าพระเป็นผู้มีระเบียบถ้าเราเอาลูกหลานมาบวชกับพระอย่างนี้ชนกุมนี้มาเห็นกุฏิอย่างนี้ตายลูก ของเราที่มีเป็นผู้มีกฎมีระเบียบอยู่แล้วเนี่ยเอามาบวชแล้วจะทำยังไงจะไม่ติดนิสัยอย่างนี้เหรอเนี่ยเชีงเหล่านี้เราเป็นผู้อยู่ข้างในเราต้องคิดที่พักพาอาศัยที่กุฏิของตนเองเอต้องปัดกวาดทาความสะอาดข้างล่างเป็นยังไงดินเห็นเป็นยังไงหินครูข่าเป็นยังไงเก็บไว้ยังไง ควรจะกบถมยังไงขยะควรจะเก็บไว้ที่ไหนทําอย่างไรสิ่งเหล่านี้สิ่งแวดล้อมในกุฏิพวกท่านทั้งหลายต้องคิดนะต้องช่วยกันดูนะผมพูดทางนี้ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นทุกองค์แต่บางองค์อาจจะมีแต่ว่าผมไปเห็นแล้วอที่ผมไปเห็นมาเนี่ยผมจะมาพูดให้พวกท่านทั้งหลายฟังผมเห็นกับตาของผมผมไปดูอ แต่ผมก็พูดบ้างๆแล้ววันนั้นแต่มันพูดในที่สาธารณะผมก็พูดไม่ชัดเจนอย่างนี้แต่เที่วทายพวกนั้นมาเถอะบันเดี๋ยวผมจะสอนอย่างจังๆให้ดูแล้วผมจะไปดูอีกนะขอให้พวกเราทุกๆท่านนะอันนีค้คือการเป็นอยู่ความเรียบร้อยความเป็นระเบียบต้องจัดที่ตัวเองก่อน อ่ายังค่อยมองที่อื่นสำหรับผมผมกนนั้นอะ่ะผมก็ดูผมเหมือนกันนะที่พูดทางนี้ทางนั้นผมก็มองอยู่แต่ก็ผมก็มีหมู่พกเพื่อนไปจัดแต่ถึงยังไงก็เถิผมอยู่องค์เดียวสมัยก่อนผมยิ่งมีของน้อยกว่านี้อันนี้โดยมากที่ผมเก็บมัคือโดยมากเอกสารจะมากกว่า เพราะมันมีความจําเป็นจะไปปล่อยปลาละเลยเอกสารจําเป็นบางตัวเราจะไปปล่อยก็ไม่ได้ต้องเก็บเอาไว้ต้องดูแลนี่แหละที่มันลกลุงหลังวางสิ่งบางที่ที่เราเก็บนี่แหละสิ่งเหล่านี้ขอให้มู่พกเพื่อนนะมาอยู่เพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราเป็นพระ ที่มีอายุพรรษาขึ้นไปเราก็จะได้ปฏิบัติตนถูกบางทีเราไปเห็นกุฏิในวัดของเราเนี่ยนี่เนาะพวกรุ่นใหญ่ไปดูดูเช่พวกกูบาทั้งหลายไปดูน ะ, ะแต่ก่อนหน้านี้เราก็เคยไปเจอแล้วนะลกลุงลังยิ่งกว่าอะไรอีก ปรับปรุงแก้ไขตัวเองบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ถึงจะมาอยู่นานว่ามันจะดีทีเดียวก็ไม่ใช่นะไอชนีรดำมันมาอยู่กับเราในนานเนมันก็ยังเป็นชนีรดำอย่างเก่านิสัยเกเรอย่างเก่าเอยเผอจะกัดคนอย่างเก่าเพราะเหตุไรไม่ใช่มันจะดีทีเดียวมาอยู่ที่วัดนานทํามาอยู่แล้วไม่ปรับปรุงแก้ไข มันต้องดูปรปับปรุงแก้ไขอย่างไรที่หลวงพ่อบอกอยู่เนี่ยนะฟังมีเหตุผลไหมถูกต้องไหมหรือว่าตัวเองขี้เกียจถ้าว่าตัวเองขี้เกียจมันก็นอย่างว่าดถ้าฟังด้วยเหตุด้วยผลแล้วกนั น, นคือหลักธรรมวินยัยศินและวินยัยคนที่มีวินยัยคนที่มีสินสีรายจะรวัตรนะใครใครเห็นก็สบายตาสบายใจ แต่ถ้าว่าเราอยู่ไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยแล้วใครเห็นแล้วก็ไม่สบายใจอย่างที่ว่านั่นนะโอ้ทำยังไงพุทธศาสนาจะยั่งยืนไปได้ขนาดไหนนี่ขนาดพระทำตนอย่างนี้นี่แหละผมเห็นพระในสื่อต่างๆในข่าวต่างๆที่บุคคลบอกกล่าว ผมไม่ใช่ผมสบายใจนะผมไม่สบายใจคือยังไงก็ยังไงก็คือวงสาคนายาติออทำไมถ้าตัวเองจะเร็วจะช่วยช้าจะทำให้เสียหายทำไมไม่ออกไปเป็นครวดัดมันอดหมดท้นทางขนาดนั้นเชียวเหรอทำไมจงมาทำตนออในเพศสรมณะหรือเพศของพระ มันไม่น่าจะถูกต้องเพศนี้มันเป็นเพศที่คนรก ร, กราบไหว้เคารพสักการบูชาแต่ใครเห็นใครได้ยินก็ไม่สบายอกไม่สบายใจไม่สบายใจกับการประพฤติธปฏิบัติของตนเองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะพวกเราท่านทั้งหลายนะไปอยู่น่าสถานที่ใดนะที่ผมพูดทางนี้ทางนั้นให้ฟังเนี่ยผมไม่ได้มองใกล้ผมมองไกลมองพุทธศาสนา เป็นแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าไม่มีใครพูดไม่มีใครแนะนำเฉลยเนยะต่างคนก็ต่างอยู่เข้ามาคิดว่ามันจะดีเอาเลยถึงจะว่าชื่อว่าพระดีก็เถอะถ้าทำตนเองเรวจะดีได้อย่างไรดีแต่ชื่อท่านเองมีแต่พระดีเฮอมันโดยมากมันตรงข้ามนะ เพราะเหตุไรเพราะตัวเองทำไม่ดีจะไปดีได้อย่างไรดังนั้นขอให้พวกเรานะเข้ามาบวชทั้งทีนะให้ทั้งอกตั้งใจประพฤติธปฏธิบัติเรื่องจิตภาวนาเป็นสิ่งจำเป็นสำคัญถ้าว่าพวกเราเชื่อมั่นหรือพวกเราปฏิบัติได้ถึงมรรคถึงผลแล้วนั่นแหละความ เชื่อในพระพุทธเจ้าความเชื่อในพระธรรมความเชื่อในพระสงค์เชื่ออย่างถอนตัวไม่ขึ้นถึงจะให้เงินมากร้อยล้านพันล้านแสนล้านแต่ถ้าเป็นฆราวาสนะ เ, เขาไม่ได้มองเพราะเหตุเพราะเขานี่คือได้อริยทรัพยอ์อย่างที่พระพุทธองค์ไปแสดงธรรม ในพุทธบริษัทสี่มีโยมที่เป็นโรคโรคเรื้อนชื่อสุปพสปพุทธกุธทสุปปพุทธกุเิเขามาอยู่ในหมู่ก็ไม่ได้เพราะตัวเองเป็นโรคเรื้อนต้องไปฟังนอกพุทธบริษัทนอกนอกหมู่นั่งอยู่หา่าง แต่พระพุทธองค์แสดงธรรมเขาก็ฟังได้ยินพอฟังเสร็จจบลงแล้วเขาได้สำเร็จพระโสดาบันพ่าได้พระโสดาบันเออเราจะเข้าไปออแสดงความเคารพและขอบพระคุณกับพระพุทธองค์แสดงควา ม, อองวามจงรักภักดีได้อย่างไรเนอะเราคงเข้าไปไม่ถึงเพราะอยู่ใกล้ พอเข้าไปก็มีแต่เจ้าขุนมูลนายมีแต่พระสงฆ์เราคงเข้าไปไม่ได้แต่นึกในใจยากจะไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์ได้สําเร็จมรรคผลนะนะได้เป็นพระอริยะบุคคลแล้วได้เป็นพระโสดาบันแล้วพระเจ้าข่านที่ได้ฟังธรรมเทศนายอยู่ในจุดนี้นะ่นั้นคือความหมายของเขาแต่เข้าไปไม่ได้เพราะคนมันเยอะแต่เนี่พระองค์จะเด็ดกลับ ข้าประคันทกุดีแต่นี้ก็สุปาพุทธกุเทน่ะกัคนก็แยกย้ายกันกว่านที่คนจะกลับไปได้ไปหมดแต่แกก็จกถึงยังไงก็ยังคิดคิดถึงพระพุทธเจ้าจะไปรายงานตัวกับพระพุทธเจ้า ว, ว่าข้าพระ อ, องค์ได้สําเร็จพระโสดาบัดเขาก็เดินมาเดินมาพระอินทร์รู้วรจิตของสุปาพุทธกุเิ ท่านก็ยับยั้งอยู่ในอากาศพระอินทร์นะดูก่อนท่านสุปปพุทธกุฏิท่านเป็นคนยากจนท่านเป็นคนอนาถาท่านเป็นคนกำพา้าท่านเป็นคนไม่มีทรัพย์เอาเถอะเราจะให้เท่าไหร่ไม่มีประมาณขอให้ท่านปฏิเสธว่าพระพุทธเจ้าไม่จริงพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้า พระธรรมคำสอนไม่ใช่พระธรรมคำสอนที่แท้จริงใครเข้าเป็นพระธรรมหลอกๆก็หลอกคนเท่านั้นพระสงฆ์สาวกก็ไม่ใช่พระสงฆ์สาวกที่แท้จริงเป็นพร ะ, พระสงฆ์ ส, งสาวกาหลอกลวงท่านพูดได้ไั้ยถ้าท่านประเศเสธได้เอาเราจะให้เงินท่านจเจ้าเท่าไหร่สุภ ป, ปุษฏะบอกว่าท่านเป็นใคร พออินโมข้าเป็นสักกะเป็นพระอินโอ้โหท่านทําไมถึงเลวถึงขนาดนี้ถึงโง่ถึงขนาดนี้ทําไมจะมาดูถูกข้าว่าข้าเนี่ยเป็นคนทุกคนจนข้าเป็นคนกัมพาข้าเนี่ยเป็นคนไม่มีทรัพย์ข้าเนี่ยเป็นคนที่มีทรัพย์ข้ามีศรัทธา ข้ามีสินข้ามีฮิริข้ามีอดตปะปาข้ามีทานข้ามีปัญญาระยะสับเจ็อยู่กับข้าข้าจะเป็นผู้ร่ำรวยท่านอยาพูดอย่างนี้เลยท่านเป็นคนผ่านท่านเป็นคนโง่ท่านมองไม่เห็นเราพูดไม่ได้ เ, เรา ทับอย่างนั้นไม่ได้แต่จะปฏิเสธว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่ของจริงเป็นของจริงที่ข้าพเจ้าในใจของข้าพเจ้าตลอดท่านจะมาพูดอย่างนี้หนีฮะพุน่ะไม่ยอม เ, เห็นไหม อ, อันนั้นก็คือคนที่ท่านได้รู้จริงเห็นจริงในธรรมพอพูดเท่านั้นแหะพระอินทร์ก็หายปั๊บไปกราบทูลพระพุทธเจ้าก่อน โอ้ข้าพระองค์ได้ไปทดลองไปทดสอบสุ ป, ปาพุท ธ, ธกุฏิเนี่ยโอ้เขาพูดอย่างเข้มแข็งเข้มข้นพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์บอกว่ามหาบุพพิธสักกะถึงจะเป็นทั้งร้อยทั้งพันพระองค์ก็เถอะจะไปพูดให้กลับใจของเขาไม่ได้เพราะเขาเป็นอริยบุคคลแล้วเป็นผู้มี ความเชื่อมั่นเชื่อตรงต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีการเสื่อมคลายแล้วนี่แหละสุ ป, ปพุทธาจากนั้นสุ ป, ปพุทธะก็มาถึงสุ ป, ปพุทธะก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุธองค์ได้สาเร็จพระสูตดาแล้วก็มีสักกะมาพูดให้ข้าพระองค์ว่าจะให้เงิน ให้ข้าพระองค์กลับคำว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่ของจริงข้าพระองค์ไม่มีการหวั่นไหวนี่แหละถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายได้ภาวนาได้ปฏิบัตินะได้รู้แจ้งเห็นจริงในใจแล้วนะ่มันไม่เสื่อมไม่คลายเลยนะมันยึดมัน่นอันไหนเป็นศีลอันไหนเป็นธรรมอันไหนถูกต้องอันไหนสะอาดอันไหนความเรียบร้อยอันนั้นเป็น หลักพระธรรมวินยัยพวกท่านทั้งหลายจะกระตือหรือลดในตัวของพวกท่านทั้งหลายเองแต่ว่าพวกท่านเฉยเฉยมยเมยอยู่เป็นชังกระตายไปอย่างนั้นอันนั้นแปลว่าอยู่ไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยไม่อยู่ในหลักอยู่ด้วยความไม่เชื่อพูดง่ายง่ายไม่มีศรัทธาไม่เชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมเชื่ออยู่เชื่อแบบลอยๆไกลๆ เชื่อแบบไม่จริงจังและจริงใจไม่เชื่อส่วนลึกไม่เชื่อในผลแห่งการประพฤติธปฏิบัติไม่เชื่อเปลือบ เ, เปลือกนอกๆไปอย่างนั้นศรัทธาคือความเชื่อถ้าไม่เชื่อเขาก็ไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ได้กินข้าวเชื่อเชื่อเพราะได้กินข้าวพัเลี้ยงชีพเท่านั้นเองถ้าเชื่อขนาดนี้มั น, มนอ่อนเกินไปะนเ้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนะนี่แหละท่านสุปปพุทธกุลเท่นะ พอไปกราบทูลพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าเออดีนี่แหละแต่จากนั้นมาท่านก็เดินออกไปพอเดินออกไปไม่นานวัวที่เป็นยักษ์ินีให้ข้าว่าเป็นอริศัตรูกันในอดีตวัวแม่ลูกอ่อนกระโดดควิดเขาก็เลยตายพระสงฆ์ก็เลยกราบทูลถามพระพุทธองค์ว่าสุปาพุทธิ ที่มากราบทูลพระพุทธองค์นั้นไปออกไปไม่นานวัวถูกวัวชนตายใชแล้วพระุทธองค์บอกว่าเนี่ยบาปอากุศนเวนจองเวนกันวัวตัวเดียวกันนั่นแหละที่พระพายยะธารุจริยะที่วัวตัวตัวทีน่ะขวิดตายสุปาพุทธกุธทนีน่วัวตัวนี้ขวิดตาย คนหนึ่งก็เป็นอมตะแต่เป็นอะไรวัวคิดตายอีกวัวตัวนี้แหละพระสงฆ์ก็เลยกราบถูนถามพระพุทธเจ้าว่าด้วยเหตุอันใดหนอพระเจ้าขา่าวัวจึงได้มาฆ่าคนทั้งสี่คนพระพุทธองค์บอกว่าก่อนหน้านี้นับจากนี้ไปเกือบร้อยอัตภาพสี่คนเป็นลูกเศรษฐีพอลูกเศรษฐี กินเหล้าเข้ามาสนุกแล้วก็ไปว่าไปว่าจ้างโสเพณีผู้หญิงหากินไปขนเอาไปในสวนอุทยานที่รับตาคนไปแล้วก่อ น, น, นไปอยู่ทั้งสี่คนรวมกันก น, ก, นกับผู้หญิงคนเดียวผมไ้สุกัถอด เอาแหวนเอาเงินเอาทองให้เป็นค่ า, าก่อนที่เขาจะไปด้วยเพราะเป็นลูกเศรษฐีเนี่ยเอาวัตถุปุ่นเปื้อเข้าไปอาพอเสร็จแล้วเขามันเราไม่มีใครเน่วะว่เาเราค่ามันแล้วก็หมกดินฝังดินมันแล้วก็บจบนะกลับต่างคนต่างกลับเอาเงินที่เราให้ไปทองที่เราให้ไปกับมันเนี่ยอาคืเนเ่่ามันทิ้งเลย ใครจะรู้วักเราทั้งสี่คนไงวะปวดเนื้วกันนะั่นจับมากับค้อนทุบข้าแลว้วงั้นนางโสภีคนที่ตายมาอยู่กับข้าทำกับข้าแล้วคนที่สุขมากฆ่าข้าอีกขอให้ข้าพระเจ้าได้เป็นยักษ์ขี้นีฆ่าพวกนี้ตลอดนานเหมือนกับพวก เขาเหล่านี้ฆ่าข่าพระเจ้าทุกพพทุกชาติด้วยเถิดคือจองเวเนนี่เพราะนั้นพวกทีนี้เกิดขึ้นมากันแน่อย่างตัวนี้กวัวตัวนี้กันนะคิดเอาตายเอาตายเอานะทุกพพทุกชาติเกือบเป็นร้อยอัตภาพน่ยพระพระธงค์ท่านได้ตรัสแต่ก็มีท่านพาหิยะนะ ที่ได้เป็นพระโสดาบันเป็นพระอรหรันต์พระพรยทารุจริยะนุปปาพุท ธ, ธากุ ธ, ธีเนี่พระโสดาบันแต่นอกนั้นสองคนเลยยังคงจะสู้กันไปอีกนานมัน้งที่จะได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลเนี่ยแต่ทาไมพระแต่ทำไมคุณสุปปาพุท ธ, ธ, ธ, ธากุ ธ, ธีจะเป็นโรคเรื้อนพระเจ้าข่า พระองค์บอกว่าการกระทาของเขาในอดีตชาติเขาเห็นพระเะเจรพุทธเจ้าเดินมาเห็นก็นทาอาการรังเกียจอาอาการรังเกียจพระระเจรพุทธเจ้าและถุยน้ำลายให้เขาถุยน้ำลายต่อหน้าท่านจากนั้นก็หลีกไปทางซ้ายหรือว่าหลีกไปทางขวานี่คือพระทักษิณนะ อันนี้หลีกะดางซ้ายค่ไม่แสดงความขารบอย่างจุดสุดเขาถุยทำลายแล้วก็หลีกปทางซ้ายในอัตภาพนั้นแหะทากรรมบาปกรรมจากนั้นลงไปไหม่อยู่ในเอเวจีมหานรกเสียนานยังขึ้นมาแล้วกัะเป็นโรคเรื้อนอยู่ในร่างกายตัวเองเพราะว่าบาปกรรมตัวนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่าน ยกขึ้นมานี่ยคือ3มประเด็นก็คือท่านได้สำเร็จพระโสดาบันท่านเชื่อมั่นใครจะเปลี่ยนแปลงหัวใจท่านไม่ได้อันนี้คือประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองก็คือตรงที่ท่านได้ฆ่าผู้คนได้ทำกรรมไม่ดีเอาไว้ถึงได้ถูกวัวควิดตายเพราะกรรมเพราะเขาจองเวรอันที่สก็คือท่าน เห็นใครแล้วกนนะชอบอิจฉาลังเกียจเดียดสันอมองคนนะดูถูกเขาทั้งที่ท่านก็ไม่ได้ทำอะไรตัวเองนะ่เยอะจริงจองหองในใจประยองพองตัวถุยน้ำลายแล้วก็ลังเกียจเดินไปทางซ้าย อ, อันนี้ก็คือบาปกรรมที่ได้กระทำไว้ สรุปลงแล้วก็คือกรรมชั่วอย่าทำเสเลดีกว่าเมื่อทำกรรมชั่วกรรมชั่วให้ผลตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่นี่และขอให้พวกเราทุกๆท่านนะไม่ว่าจัด ก, กรรมไหนก็ตามที่เราเข้ามาบวชจะทำผิดเพราะวินยัยทำผิดศีลเห็นแก่อยู่เห็นแก่กินเห็นแก่ปากเห็นแก่ทอ้องเห็นแก่สิ่งที่มันไม่ดี นั่นแหละพวกท่านทั้งหลายถ้าทําอย่างนั้นล่ะพวกท่านจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังพูดง่ายอย่างนั้นให้พวกท่านทั้งหลายให้อยู่ในพระธรรมวินยัยศีลและวินยัยนั่นแหละจะเป็นเครื่องพานําพวกท่านทั้งหลายไปสู่ความสุขความเจริญแต่พวกท่านทําผิดหลักพระธรรมวินัยแล้วมีแต่หนทางแห่งความขิบหายเป็นหนทางแห่งนรก ถ้าพวกท่านท่านทั้งหลายทําความชั่วแล้วนรกไม่เต็มอย่างที่หลวงปู่จามพูดหลวงปู่จามบอกว่าถ้าใครจะทําความชั่วก็ทําเถอะนรกไม่เต็มหรอกอยังหลุมกว้างอยู่ถ้าใครทำคว ร, รมดีก็เหมือนกันสวรรค์ยังไม่เต็มคอยรอรับพวกท่านอยู่นี่แหละอันนี้ก็คือแต่ส่วนสุ ป, ปะ พุทธกุฏิเนี่ยเป็นพระโสดาบันแล้วน่ยพอวัวิดนะพอตายไปแล้วท่านก็ไปนู่นไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเทวดาก่อนออกจากเทวดาแล้วคงจะมาเกิดแต่ท่านก็ไม่ได้ทํานายไว้ว่าเป็นพระโสดาบันเกรดไหนคือพระโสดาบันมีอยู่สามเอกพีชีเนี่ยเกิดชาติเดียวโกรังโกระเกิดสามชาติ สัตตุขตรระประมเกิดเจ็ดชาติแต่ท่านก็ไม่ท่านไม่ได้ตรัสเอาไว้พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าไม่ได้พยากรณ์เอาไว้ว่าสุปาพุทธทกุฎีเนี่ยขึ้นไปอยู่สู่สวรรค์แล้วจะได้สำเร็จมักสเร็จผลเป็นพระโสดาบันที่หนึ่งหรือที่สองแลืที่สามท่มานไม่ได้ ท่านไม่ได้ตัดเอาไว้แต่ถึงยังไงก็เถอะถึงได้เป็นพระโสดาบันนะับแปลว่าหายห่วงละไม่ตกต่ำแล้วมีแต่ทางที่จะพ้นทุกข์มีแต่สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆให้พวกเราท่านทั้งหลายให้ประกอบคุณงามความดีการส่งสมคุณงามความดีสั่งสมไปเรื่อยๆภาวนารักษาศีล ไหว้พระสวดมนต์แต่มาข่าวเนี่พวกเรานั่งภาวนานี่ยนะอย่างที่หล้มผมพูดให้ภาวนาสู่ให้มากเดินอย่กลมนั่งพยายามนั่งให้นานแต่นั่งอย่างอื่นเรานั่งมาเราทําอย่างอื่นเราทํามาอเรานั่งอย่างอื่น เราก็เคยนั่งมานาดแต่นั่งภาวนาทดลองดูสิพยายามบังคับให้สติอยู่กับตัวเองกําหนดลมหายใจเข้านะ่ยหรือเราจะกำหนดกำหนดกรรมฐานไหนได้จะว่าทำโมทำโมรำโมสังโกสังโกก็ไดนะ้หรือกําหนดลมหายใจเข้าออกก็ได้แต่ตามไม่จริงตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรานะ่ย ท่านได้ผลมาแล้วอย่างพิสูจน์มาแล้วเนี่ยสายหลวงปู่มั่นองค์ไหนกองค์นั้นที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาแนวแถวองค์หลวงปู่มั่นท่านกำหนดภาวนาพุทธโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนี่แหละอันนี้คือแนวของหลวงปู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราจะถึงยังไงขอให้พวกเราเดินตามสายนี้ก่อน สเดือนเนี่ยอย่าไปคิดไปสายอื่นให้เดินตามสายนี้พุทโทนแต่ส่วนปัญญาเราจะพิจารณาอะไรเราจะงค่อยพิจารณาอีกพิจารณาไตรลักษณ์อเนจังทุกขังหนาตากาหนดตัวตัวผู้รู้กาหนดตัวกายกาหนดตัวการเป็นอยู่ของเรา ให้เห็นอเนจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราสรุปแล้วก็คือให้ดูกายดูใจดูใจดูกายดูกายดูใจมันดูสองอย่างเท่านั้นอะกายก็คือการเป็นอยู่ทุกอย่างการเคลื่อนไหวของของอย่างการอยู่การกินการหลับการนอนการพูดการคุยการสนทนาปารหัหรืรว่าการพูดการแสดงทมอย่างนี้นะ่ะ อันนี้แหละคือทางกายแต่ใจนึ่คือเป็นผู้สั่งให้กายพูดตัวผู้รู้แต่เขาก็ว่าสมอง ต, ตามไม่จริงมันมันเหนือกว่าสมองเน่านหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าท่านว่าใจนั่นน่ตัวผู้รู้คือนามธรรมเน่ตัวนั้นเป็นสิ่งที่ในหลักธรรมคำสอนท่านให้ความสนใจท่านในความ สังเกตดูมองเพ่งกำหนดตัวรู้ๆนั่นแะตัวนั้นตัวตัวการใหญ่ตัวการสำคัญดูกายจะแล้วให้ดูใจใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรพอใจไม่พอใจเรื่องอะไรยินดียินร้ายอะไรใ ห, ให้ดูให้สังเกตให้ใช้ปัญญาให้สชสติและใช้ปัญญายสติคือความกำหนดให้ดู กำหนดให้มีสติแล้วก็มีปัญญาดูกันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลจากนั้นก็ น, นั่นเห็นจะเห็นสิ่งที่มันไม่ดีอยู่ในใจเห็นอนในจังอยู่ในใจเห็นทุกขังในใจเห็นอันธรตาอยู่ในใจเมื่อเห็นอนันในจังทุกขังอนธรตาแล้วจะไปยึดมั่นถือมั่นได้ยังไงไม่ถ้าปล่อยวางเท่านั้นนะปล่อยวางที่ใจแลวเมืนะ่อปล่อยวางก็ น, นั่น มรรคผลนี่ผ่านไม่ต้องหาที่ไหนมันเกิดออกมาจากตัวผู้รู้คือจากใจนั่นน่ะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะตั้ง อ, อกตั้งใจภาวนาตั้งใจปฏิบัติมันไม่กี่เดือนนะ่ะไม่กี่วันนะ่ะแป๊บเดียวท่านเองนะอย่าให้วันเวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์อย่าให้เปล่าประโยชน์พูดง่ายๆให้มันเกิดประโยชน์ สิ่งที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าพูดอย่าทำอย่าส่งจิตไปหาหมู่หาเพื่อนเรื่องทะเลาะวิวาทกันอย่าได้มีเด็ดขาดถ้าพวกเราถือว่าผมเนี่เป็นพ่อหรือเป็นครูของพวกท่านผมเองนะผมให้ความเมตตาทุกพองค์มีอะไรไม่ว่าแต่อยู่ในวัดอยู่นอกวัดก็เถอะหมู่พวกเพื่อนก็ยังมาหาอย่างวันนี้ก็มีมาหา จะทำยังไงพระคนป่วยองคพ่อช่วยด้วยเธอานันคนป่วยในวัดอ้าวได้มีอะไรจะได้ใช้จะตุปใจไหมถ้าเข้าไปแล้วบอกนะมอกเรานะถ้ามีความจำเป็นจะต้องได้ใช้ผมไม่ได้ปล่อยปาลาละเลยสาหรับหมู่พกเพื่อนน้องนองุนง่งทั้งหลายไม่ว่าอยู่ในวัดอยู่นอกวัดเพราะั้นพวกท่านทั้งหลายนะแหมมีความไม่สบายใจไม่สบายกายยังไง ไม่สบโดยมากไม่สบายกายนะ่ะเป็นยังไงก็บอกหมู่พวกเพื่อนแต่ทั้งยังไงอย่าไปขี้แอร์จนเกินไปต้องสู้ถ้าเราขี้แอร์เกินไปโลกก็ยิ่มเหยียบย่ำตัวของเราถ้าเราสู้สียอย่างต้องแข็งต้องใจแข็ ง, ขงสียอย่างอย่าไปใส่ใจอย่าไปอ่อนแอกับมันจนเกินไปถ้าอ่อนแอเกินกับมันเกินไปนั่นแนหะ ความอ่อนแอนะ่ะคือตัวโรคไม่ใช่โรคนะโครคภัยไข้เจ็บนะ่ะจะมาลุมเล้าจนไม่มีทางออกเราต้องเข้มแข็งต้องสังเกตต้องสู้ดูกำหนดดูที่มันปวดที่มันเจ็บไข้ได้ปวยตรงไหนอย่างไรมันเป็นอนิจังทุกขังอนาตาทั้งหมดนะมันไม่ใช่กองวิมานจากไหน ถ้าว่าร่างกายเนี่ยเป็นสวรรค์วิมานพระพุทธเจ้าพระละหันทาวกท่านก็คงจะไม่ปล่อยปะลาเลยไม่หนีจากมันอันนี้ พ, นพิจารณาดูแล้วมันหาความสุขเท่าเม็ดงาขาลิ้นก็ไม่ได้อีกสักวันหนึ่งแต่ตายสลายลงจู่ดินน้ำลงไปจะหาความสุขได้ที่ไหนท่านเห็นอันนี้จางทุกขังอนัตตาแล้วท่า น, นยังเกิดความเบื่อหน่ายคายไม่ยึดมั่นถือมัน่นแต่พวกเราเนี่ยที่ คิดว่ามันจะมีความสุขในร่างกายอยู่อย่าไปคิดนะอย่าไปหวังนะให้ฟังเอาไว้ฟังทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ให้ปฏิบัติเอาไว้ถ้าปฏิบัติทำจิตใจให้สงบได้มากเท่าไหร่พวกท่านจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครนะอะตอนนี้ไปนั่งภาวนาสักชั่วระยะหนึ่งแยกยาก้ยายกันนะนั่ง